ทำกันสักหน่อยปังดับงไรนิดจิตแจ่มใสเราถือว่าเราเป็นนักบวชซะแม่จะเป็นเสื้อผ้านุ่งห่มอะไรก็ตามแต่ว่านักบวชภาษาธรรมะคือเว้นความชั่วทำความดีให้เป็นอาชีพสักหน่อยอาชีพนักบวชความชั่วมันเกิดขึ้นมาให้เราเว้นอยู่เรื่อยขึ้นทางกายทางวาจาทางใจใหเราเละความชั่ว เพรละลายทุกโอกาสอันความชั่วมันเกิดทางกายทางวาจาทางใจนี้เปลี่นความหลงเราก็ละความหลงได้เปลี่ยนความหลงเป็นความรู้ดีวิชาที่จะละความชั่วทำความดีทำจิตให้บริสุทธิ์คือกรรมฐานกรรมฐานคือการกระทําให้ความถูกมันเกิดขึ้นบ่อยๆถ้าไม่ให้ความถูกมันเกิดขึ้นความชั่วก็ไม่ได้ละอะไร เพราะไม่มีเครื่องมือเครื่องมือที่ทําจริงเหล่านี้เกิดขึ้นเรียว่าคุณธรรมเนี่ยมันไม่ใช่วัตถุไม่มีใครเห็นนอกจากตัวเราเองให้เหมือนเราสร้างบ้านสร้างเรือนทําไมันไปเกิดขึ้นมาอาใส่วัตถุเอาใส่ทรัพย์เงินทองอาใส่เรี่ยวแรงหลายผู้หลายคนร่วมร่วยช่วยกันเหมือนกับหอไตนี้เราก็ต้องสร้างขึ้นมาตั้งชื่อให้เป็นหอไตมันก็ใช่ได้ แต่ก่อ น, นี้ลานหินโคงมีแต่แบบปงป่ายยาคาแล้วก็สร้างป่าขึ้นมาสร้างต้นไม้ขึ้นมาโดยการกระทำปลูตกต้นยางนาต้นตะเขียนทองต้นพยอมต้นอะไรเยอะแยะขึ้นมายาคาก็หมดไปป่าพงก็หมดไปก็เกิดเป็นป่าขึ้นมาสิ่งเวดลร่อมก็ดีไปก็ไม่ได้ไหมไม่มีเชื่อให้ไฟไหมสิ่งเวดลร่อมก็มีเหต เ, เกิดขึ้นมา ได้กินด้วยโพกาะการกระทํำของเราชีวิตของเราให้เป็นอาชีพสักอย่างอาชีพธรรมะเนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้แล้วก็มีอาชีพที่ทํากันอยู่แล้วนักศึกษาก็เป็นอาชีพการศึกษาตื่นขึ้นมาก็ตั้งใจจะไปเรียนหนังสือเรียนหนังสือตั้งใจจะกลับบ้าน ทำการว่านของตนเป็นอาชีพเรียนจนจบจนเป็นแพทย์เป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นครูอาจารย์ตำรวจทหารสูงสุดสาเร็จจบลรองัยประกอบอาชีพประมาณได้สะดวกสบายอาชีพชาวไรตื่นขึ้นมาก็จะไปทําไร่ปลูกมันปลูกอ้อยให้ต้นอ้อยมันเกิดขึ้นจากมือของเราให้ต้นมันมาเกิดขึ้นจากมือของเราอาชีพชาวนาก็ตื่นขึ้นมาก็จะไปทไํานาให้ตน้นข้าวมันเกิดขึ้นเต็มทุ่งเต็มพื้นที่ อะไรก็ตามมันต้องเกิดจากการกระทําไม่ใช่เลื่อนลอยชีวิตเราเนี่ยลำดับลําดําชีวิตนั่นอาชีพนั่นจึงจะสําเร็จการปฏิบัติธรรมนี่ก็เหมือนกันต้องลําดับลํำนาไม่ใช่ทําแบบ เ, เล่นๆสมัครเล่นไม่ใช่ให้มีการกระทําเจตนาลงไปสร้างความรู้จึกตัวลงไปการสร้างความรู้จึกตัวเขาอย่าไปคิดว่ามันยาก เอาใจคิดว่ามันยากเอาใจคิดว่ามันง่ายเอาใจคิดว่าทําได้เอาใจคิดว่าทาําทไม่ได้จะเลยไปอย่างนั้นมันไม่ใช่ลองออกการกระทําบุกเบิกไม่ต้องใช่เหตุใจผล น, นั่นใดไม่เหมือนเราทํานาทําไร่ต้องวางแผนจา่างไถรถไถามาไถาต้องวางแผนทาซื้อพันอ้อยพันมันฝนตกฝนแรงก็ต้องอาศัยสิ่งอื่นก็ยังทําได้ นี่การกระทําการเจริญสติกรรมฐานเนี่ยไม่ต้องอาศัยอะไรมันมีพร้อมอยู่แล้วกับตัวเรานาะตอนที่จะมั่นใจในการทํากรรมฐานเนี่ยไม่ใช่เราทําคนเดียวมาคิดคนขึ้นมามีบมุลุษมังคุวัศาสดาเราพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายครูอาจารย์จนมาถึงพวกเราตัวเนี่ยมันก็อุ่นใจอ้าหลวงพ่อเทียนเห็นตัวหลวงพ่อเทียนอยู่ เราก็สอนเหมือนกับทำเหมือนหลวงพ่อเทียนบอกเพราะว่าเสียหลวพ่อเทียนก็สอนเราให้เราทําเหมือนท่านนี่ก็มีตัวมีตนเราก็ทำไม่ใช่เราเพิ่ฝันอะไรแล้วก็ทําอยู่เวลาเช้าว่าเทียนมาพาทําวัดสวดมนต์เราก็มาหลวงพ่อเทียนก็ทําวัดสวดมนต์จบหลวงพ่อเทียนก็เทศให้เราฟังเราก็ฟังเราก็รู้เรื่อง พระหลวงพ่อเถียนพูดเรื่องการกระทำของเราเราสิ่งที่เราทำก็เป็นเรื่องของพ่อเถียนพูดเจ้าอย่างไงพวกเราไปอ้อนวอนที่ตรงไหนกันไปรออะไรการกระทำแบบนี้การรู้จึกตัวแบบนี้การหลงแบบนบบี้เกิดขึ้นกับเราทุกโอกาสไม่มีการไม่มีเวลามันจะเกิดความหลงกันมาเมื่อใดมันก็ไม่บอกเราเหมือนฝนตกพะล้องอันนั้นมันบอกเราแต่ว่าความหลงไม่บอกเรา ความรู้จึกตัวก็ไม่บอกเราไม่ตะโกนไม่มีเสียงอะไรมันอยู่กับตัวเรามันดังกล้องอยู่กับตัวเราเราก็รู้ขึ้นมาไม่มีการไ ม, ม่เวลาเรียกว่าอากาลิกธรรมอากาลิกธรรมนี้เป็นของวิทยาศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์ยิ่งกว่าวิทยาศยาสตร์อื่นใดเลยไม่ใช่วัตถุอะไรไปพิสูจน์มันหลงหรือเปล่าอะไรไปวัดไม่มีไม่มีเครื่องวัดเป็นสมมุติเป็นปรมัตา์ในตัวเราอยู่แล้ว จะเอาอะไรมาต่อรองกับตัวเราเราเราต้องศึกษาดูดีๆไปเอาอะไรมาต่อรองไปอะไรมาอ้างเอาความหนุ่มขมเจี๋เอาเพศเอาวัยหรือมาอ้างเอาลัทินในไกเอาจริตนิจใจมาอ้างไม่ใช่มันอยู่กับเราแท้ๆให้เราดูดีๆมาสร้างตัวรู่ขึ้นมาแล้วก็มาบอกกันดูมาบอกกันช่วยกันดูข้นขวอยตัวของเพื่อน ภิกษุสามเณรญาติโยมญาติโยมคนขวยช่วยกันนะเอากันจริงๆลองดูตั้งเป็นสถานที่เป็นแหล่งเป็นตักกะชิลาในการศึกษาเรื่องนี้ลองดูจริงๆมาพิสูจน์กันดูอย่าไปอาศัยคนอื่นเอาตัวเองไปพิสูจน์แม่คนพิการเดินไม่ได้กระดูกกระดิกไม่ได้มีแต่หายใจก็ยังทําได้เราได้เดินไปไหนมาไหน อะไรก็ช่วยตัวเองได้ทุกอย่างมันหลงเขช่วยตัวเองมันร้อนก็ช่วยตัวเองมันกินวันถ่ายก็ช่วยตัวเองคนวิการเนี่ยก็อเสียก็เหนื่นช่วยเขายังเพียรพยายามเช่นอาจารย์กันพล น, น่ะมีชื่อเสียงโด่งดังหลายประเทศแล้วแปลภาษาต่างประเทศเผยแพร่ไปเป็นการโล่สังคม่มล่อมนุษย์ได้เป็นอย่างดีเราเนี่ยไปอ้ออ้อแอู่ทําไมต้องศึกษาต้องตั้งใจปฏิบัติ เอาอย่างคนดีอย่าเอาอย่างคนชั่วเอาอย่างความดีในเราด้วยเอาอย่างความชั่วในเราโ้วเห็นมันแล้วก็เบื่อหน่ายความชั่วความหลงความทุกข์ความเกิดเจ็เจ็บตายน่าเบื่อเราจะต้องรอวันนั้นให้ถึงโอกาสจากนั้นน่ะคอยล้องโงมล้องให้หัวเราะดีใจเสียใจเพราะเรื่องด้านเหรือเราต้องศึกษาเรื่องอย่างนี้มันไม่มากมายอะไรที่เราจะเรียนไม่ได้รู้ไม่ได้ มันก็เห็นอยู่แล้วกับตัวเรามันเกิดขึ้นเราเห็นอยู่ต่อหน้าต่อตาความหลงก็เกิดขึ้นเราเห็นความรู้เกิดขึ้นมาให้เราเห็นพอดมันออกมาความรู้เหมือนคนมีฝีมืออะไรที่มันสร้างขึ้นมามันเกิดขึ้นมาด้วยมือของเราแม้แต่รถยนต์เครื่องบินเกิดขึ้นมาด้วยฝีมือของเขาด้วยมันสมองของเขาหยกยาอะไรต่างๆอาหารต่างๆพ้นข้อออกมาแม้แต่เห็ดลิ้นจี่ในป่า ก็ยังก้นคั่วว่าเป็นยาวิเศษสารพัดประโยชน์ต้องเอาซื้อมากินรักษาโรคได้สารพัดอย่างเขายังคิดได้อันนี้ตัวหลงตัวรู้เนี่ยไม่มีเครื่องมือพิสูจน์เอาตัวเราสัมผัสดูมันรู้เป็นยังไงมันหลงเป็นยังไงสัมผัสดูตอดูชิมดูความหลงความรู้มันถูกต้องไหมอะไรมันถูกต้องสัมผัสดูสัมผัสไปสัมผัส ม, มา หลายข้างหลายคราวมันก็เห็นเห็นความหลงเห็นความรู้มันต่างกันแล้วก็เปลี่ยนมันเราก็เพราะมันหลงแท้ๆมันจริงรู้เพราะมันทุกแท้ๆมันจริงไม่ทุกเพราะมันโกรธแท้ๆมันจริงไม่โกรธนี่คือของจริงของจริงไม่มีคำถามมีแต่คำตอบจะให้พูดอะไรต่อไปหร Ы. จะให้บอกอะไรถ้าไม่บอกกันอย่างนี้นะจะให้หลอกลวงกันนะชอบหลอกหรือ เอาใจตัวขามาแขนโปกเสกอย่างนั้นเลย อ, อาศัยคนอื่นเลอไม่พึ่งตัวเองเลยเราต้องพึ่งตัวเองแล้วตัวเองมันก็พึ่งตัวเองไม่ได้ทําให้เราล่มเหลวคนล่มเหลวเพราะตัวเองสิ่งที่มันชั่วร้ายทาให้เราล่มเหลวเราก็ายังยอมทําตามมันเป็นขี้เล่าขี้ยาโลภโกดหลงเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนคนอื่นยังก็ต้องตั้งตัวบทกฎหมายสร้างคุกทั้งตารางเง้นมา ต้องสสไปล่างรัฐธรรมนูญอะไรต่างๆมากมายเรื่องมันไใหญ่ขนาดนั้นนันอยู่กับเราจึงมาเอากันอย่างเกียระโดลําดับลํานําติดตามมันเมื่อเราท่องหนังสือติดตามวันทุกวันทุกวันก็ติดได้บางคนต้องปฏิโมกข์ไม่ถึงเดือนก็จบได้บางคนท่องธรรมจักไม่ถึงเจ็ดวันก็จบได้ถ้าลํานํำดี ถ้าไม่ท่องก็หาว่าตัวเองหัวไปดีเพราะเราไม่ทําไม่ใส่ใจถ้าลําดับลํานําทุกวันดูมันก็ติดได้ทุกคนเหมือนกันหัวดีไม่สําคัญแต่ขยันน่ากลัวที่สุดคนขยั น, น่เป็นคนที่สําคัญกว่าคนหัวดีคนทำไม่มีการกระทำเนี่ยความขยันเนี่ยมันจําแนกไปนะอย่าไปอ้างว่าหัวไปดีไม่มีหัวคิดปัญญาเป็นกูปึกป่งหนาอย่าไปเอานั่นมาอ้างเอาการกระทําเอาความขยันของเรา รู้บ่อยๆรู้บ่อยๆวัตถุที่รู้ก็มีอยู่กับเราแล้วสร้างกันมารูปแบบก็มีแล้วเอาจากเราเนี่ยแหละเนินเจักรมสร้างจาังหวะหายใจเข้าหายใจออกมันมีวัตถุอุปกรณ์เอามาสร้างความรู้วัตถุอุปกรณ์ที่มันเกิดความหลงก็มีอยู่ด้วยกันะเราพ่เทียนบอกว่ า, วาเอาจิตดูจิตเอู้จิตไม่ก็ดูจิตนั่นแหละอะไรที่มันเกิดขึ้นกับจิตเอาจิตนั่นแหละดูมันรู้วิญญาณท่ารู้อยู่กับจิต แล้วก็รู้อยู่ในตัวมันไม่ได้ไปหาวัตถุอะไรหนึ่งสองไม่เบีในตัวมันเองมันลมก็รูอยู่ในนั้นมันทุกมันก็ไปทุกอยู่ในนั้นเกิดมันก็ไปเกิดอยู่ในนั้นมันแก่มันก็ไปแก่อยู่นั้นมันเจ็บมันก็ไม่เจ็บอยู่ในนั้นมันตายมันก็ไปตายอยู่ในนั้นมันก็ขนาดนี้เหรอไปว่านวลนนบมือขอไหว้ขอกราบอะไรต่างๆโอ้ยหยุดแล้วเพลาะเรื่องอย่างนี้มัน มันล่าสมัยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆต้องเกิดจากการกระทําของเราเราจึงต้องมาปฏิบัติปฏิบัติคือมาทํากรรมฐานเป็นอาชีพให้ขยันรู้ฝันขยันรู้เป็นภาวนากรรมฐานภาวนาภาวนาใหม่ศีลใหม่ฐานใหม่ภาวนาใหม่ น, ม น, มนสูงสุดเป็นบุญที่เกิดขึ้นจากภาวนาเนีสูงสุด สงกตทานสงกตศินศีลรักษากายวาจาให้เรียบร้อยภาวนาคือเอาทั้งหมดเลยทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจให้มันเรียบร้อยให้มันดีภาวนาขยันรู้บรรลุ ก, ล ก, ก็เรียบร้อยหมดทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจเพราะตัวลกูกมันเป็นตัวปรัมัตต์ตัวหลงไม่เป็นสมมุติสมมติมันตั้งอยู่นานไม่ได้ปรัมั ต, ม, ตมันเป็นของจริง นี่เราจึงภาวนากันภาวนาไม่ใช่บริกรรมพุโทโธพุโทโธสัมมา ห, หลังยกหลงของหนอไม่ต้องว่าเอาตัวรู้เข้าไปเลยอะไรที่มันเกิดจากความรู้ไม่มากอะไรม่นเกิดจากความหลงไม่มากเห็นมันหมดเห็นมันครบวันท่วนแกมแจ้งเอาไปเลยให้มันเห็นต่อหน้าต่อตาเอาผลประโยชน์จากมันความหลงมันทําให้รู้ความทุกข์มันทําให้เรารู้ ผมโกรธมันทำให้เรารู้เอาประโยชน์จากมันเรียกว่าหนมย่อกับหนำบงตัวมันใช่มันเหมืชาวนาทํานาขายข้าวเอาเงินไว้ทานาได้ส่วนเหลือเนื้อมันในมันชีวิตเราก็เหมือนกันถ้าฉลาดก็ใช่การมรดกทําในตัวมันเพราะมีความเกิดแล้วก็ไม่มีความเกิดเพราะมีความแก่ก็ไม่มีความแ ก, มม ก, มมก่มีความตายก็ไม่มีความตายเรื่องอย่างนี้ คนโบราณเช่นพระพุทธเจ้าได้พิสูจน์ได้รับผิดชอบเรื่องนี้แล้วก็พบเห็นมาแล้วได้มาบอกได้มาสอนพวกเราชีวิตของเรามล้ก็ไปเสด็จกวัวจัดทั้งหลายมันฝึกได้เหนือการเกิดเจริญตายอย่างนัน้ช่วยกันหลายคนให้ความลูกเกิดขึ้นหลายคนอย่าให้มีคนเดียวมันจึงจะอยู่ได้ในโลกนี้ แต่ความลูกเกิดขึ้นเพียงคนเดียวมันก็อยู่ลำบากคนดีไม่มากคนชั่วมีมากเราก็อยู่เดือดร้อนเหมือนหลวงพ่อพูดวันก่อนว่าเราไม่เคยตัดต้นไม้จากต้นคนเดินเขาตัดเราก็เดือดร้อนเราไม่เคยทิ้งของสกปกลงในหัวหนองของบึงแต่คนเดินเขาทิ้งเราก็เดือดร้อนเราไม่สู่บุรีไม่ มีอะไรซึ่งเป็นพิษเป็นแผลต่คนอื่นไม่พอคนอื่นเขายังสวกอยู่เราก็เดือดร้อนเกิดเป็นปัญหาจึงมาช่วยกันมาช่วยกันมาบอกกันมาชวนกันจับแขนจับมือดุมด้งกันไปใครล่าใครเหนื่อยก็รอคอยกันอย่าทอดจะทิ้งเอาแม้แต่ทั้งเน่นหน่อยมาให้มานอนฟังก็ได้น่ารักดี นอนหลับช่างมั่วมันทะเลาะกันบ้างหยอกล้อกันบ้างช่างมันอีกสักวันหนึ่งมันต้องดีแน่นอนเราก็เคยเป็นเด็กเหมือนกันเอากันไม่หมดเลยเป็นพวงไปเลยอ่ะไม่ใช่เราคนเดียวรังเกียจคนนเพื่อนคนนี้ชอบคนนั้นไม่ใช่อย่าไปเลือกที่รักมักที่ชังการที่ทําความดีวางใจสร้างความเมตตาเกิดด้วยน้ําใจของเรา รางการุณนาวุธดาวเปี่เกาขึ้นในใจของเราเอาให้มันขึ้นมาเกิดขึ้นมาอย่าให้มีความโลภความโกรธความหลงอันเราที่งไปเหมือนด้วยการกระทำของเราเหมือนต้นนี่โคตรอยู่ลงอาทานมันเกิดขึ้นมาด้วยฝีมือหลวงพอ่อเป็นต้นไม้ขึ้นมาที่เป็นต้นไม้ขึ้นมาเฉยเอา้าออกลูกออกดอกออกผลกัลอกกแต่นกก็ได้มากิน ให้มีเหลี่ยมไหวตัวเองบ้างคนเรานะ่ะอย่าไม่ทําอะไรเลยถ้าไปทําอะไรก็ทําตัวเองให้เป็นคนดีอย่าเบียดเบียนตน้นอย่าเบียดเบียนคนอื่นอย่าทําตอนให้เป็นทุกข์มันก็ดีแล้วเราจะมาให้มีเหลี่ยมไหวตัวเองบ้างเลิกสุบุรีไล้ก็ไหวตัวเองได้เลิกหลงได้ก็ยิ่งดีประเสริฐเลิกทุกข์ได้ก็ประเสริฐเป็นจัดประเสริฐ ได้เป็นพระด้วยชีวิตประเสริฐได้เลยไม่มีอะไรที่จะจินแหนงแกงไกตัวเองไม่ใช่เป็นชีวิตบักผมปกปิดซ่อนเล่นเหมือนบอกที่ทิ้งขยะมนผอยเน่าในเปียกแขะอย่าให้มีให้บริสุทธิ์พปรตผ่องผมบริสุทธิ์พปรตผ่องนะมันดีดีนะถึงเขาไหนมันก็ดีเราไม่มีอะไรที่จะจินแหนงแกงไก่ตัวเองเพราะเราทําดีมานาน หนึ่งวันแล้วมีความรู้ของไหม่ทําบาปทํากรรมอะไรสองวันก็รู้อยู่ดูแลตัวเองอยู่สามวันก็รู้อยู่ดูแลตัวเองดู่สี่วันหน้าวันหวันรู้อยู่มันก็ค่อยสะอาดไปค่อยสะอาดไปไม่มีอะไรกรรมก็ไม่มีกรรมใหม่ล่างบาปออกไปเพราะตัวรู้เป็นสิ่งที่ล่างกำลังออกไปไม่ใช่น้ํา ร่างความบาปล่างอากุศลคคอความรู้จักตัวเหมือนกับน้ำทิพต์ร่างบาปล่า ง, าาง อ, ากอกุศลนอกจากกายจากใจเราเพราะรู้จักตัวก็ทำความดีรู้จักตัวก็ละความชั่วรู้จักตัวก็จิตเ็าบริสุทธิ์ไปบริสุทธิ์ไปมันเป็นอย่างนี้้องข้อขยัน ข, ขยันเรื่องนี้แต่เดี๋ยวนี้ก็หมดความขยันบ้างแล้ว บางทีก็ไม่ไม่เสะดวกบางครั้งก็ไม่มีเสียงเพราะเป็นเดนของโลกล้ายอันเอาตายไปก็เป็นเดนไปมันก็เหลืออยู่พลังที่จะมาเอากันจริงจริงแล้วก็หมดไปแต่อารใชพวกเรามาช่วยกันพิกษุณีธรรมาจีตาก็มาช่วยกันนะอยากได้ผู้หญิงอยากได้พิกษณุณีเป็นพลังในการเผยแพร่ ผู้หญิงเนี่ยดูสินนั่งอยู่เนี่ใครมากกกันมีแต่ผู้หญิงมากกว่าใครมาตอนเช้าใครเสะให้เรามาจังหวัดมาเพนใครมามีแต่ผู้หญิงจากนั้นมาช่วยกันมาร่วมกันสร้างหลวงพ่อก็พอมีปัญญาที่จะสร้างภิกษณุณีแม้แต่พระราชบัญญัติคณะสงฆ์สมัยตะ ว, วันนี้ไม่ไม่เปิดโอกาสเราก็สร้างเงินมาเองสร้างเงินมาให้มันดีขึ้นมา อันเป็นประโยชน์ให้เกิดเจตธาแจกผู้คนให้เกิดคุณภาพขึ้นมาในหมู่คนทั้งหลายเดี๋ยวนี้คนเราไม่ค่อยมีหลักเท่าไหร่เชื่อไปตะพื้นตะพื้นไปถ้าโม ก, กันยังอย่างนี้นะ่ะปฏิเสธการบอกการสอนแบบหลวงพ่อพูดเนี่ยก็เหมือนกับปฏิเสธตัวเองจะปล่อยให้เราหลงเหรือจะปล่อยให้เราทุกข์หรือมันเปลี่ยนความหลงได้อยู่ทาไมไม่เปลี่ยน จะปล่อยตัวเองโกรธหรือมันเปลี่ยนความโกรธได้อยู่ทําไมไม่เปลี่ยนมันไม่เชื่อเหรือถ้าไม่เชื่อสิ่งคําสอนพระเจ้าก็ไม่เชื่อตัวเองเลยถ้าคนไม่เชื่อตัวเองเราจะอาศัยอะไรเราไม่มั่นใจในตัวเองเราต้องมั่นใจทําอะไรต้องมั่นใจว่าจะทำอย่างนี้เนี่ยมันก็มั่นใจมันจึงทําได้สําเร็จถ้าไปทําคของชัว่วมันก็ไม่มั่นใจทําแล้วก็เศ้าหมองอยู่ใครว่าคนทําชั่วอยจะฉนวกสนานไม่มี ทำบาแบงก็ยอมเศร้าหมองเองไม่ทำมาแบงก็หมดจดเองตอนเศร้าหมองโขหมดจดเป็นของเฉพาะตนคนเดือนเย็งท้องเดินให้เศร้าหมองหมดจดหาไม่ได้อาณาว่าตรดังกว่าบางอัาณาวิชญาสุติอจุติปัจจะดังอัญโยอันอย่างวิโสทะเยาคาถาพิสูจน์กล่าว่าอย่างนี้เพราะนั้นเราจึงมีการกระทําให้เกิดขึ้นมาแล้วก็ทําได้ด้วยเราก็อบอุ่นอยู่ที่นี่ นั่งอยู่นี่ก็คือพระสงฆม่ตัวไม่ตนไม่ไม่ใช่โง่เงาเท่าไหร่อยู่นี่ก็มีแต่ปัญญาามสามารถที่จะเชื่อมั่นเรื่นี้ว่าเน้นก็มีน้าโยมก็มีที่อยู่อาศัยก็มีข้าวปลาอาหารก็มีพอที่เพิ่งไปอาศัยกันไ่ะจะเอาที่ไหนประเทศใดหาได้โลกที่ไหนถ้าไม่ใช่ในตัวเราในเวลานี้ในโอกาสเนี่ยเราต้องให้ดูดีๆอยา่า ให้มันเสียเวลาบมากักินไปมาอยู่ปฏิบัติตรรมห่วงโน่หนองนี่เป็นบริโภพูดมันก็ไม่ค่อยดีเอาเลยไม่ใช่ว่าใครจะพิเศษกูกันมันก็เหมือนเหมือนกันนั่นแหละเราเป็นคนเหมือนกันมีความรักความจังมีความชอบไม่ชอบมีพ่อมีแม่มีลูกมีหลานมีบ้านมีช่องเหมือนกันหมดมันไม่ใครจรจัดเกิดมาจากพรองไม้เหมือนหนอนเหมือนเลยหนอนก็ยังมีเชื่ออยู่นคนเราแท้แท้เนี่ยพ่อแม่เลี้ยงมา คนช่วยเรามามีพ่อมีแม่เลี้ยงดูเรามาถนุถนอมเราก็มีเป็นอย่างนี้ก็ต้องจะทำให้บรรคุมค่าการเกิดมาบ้างสักอย่างไม่ได้เลยข้อดีแหะไม่มีวิธีอื่นแล้ ว, ลวนานเหลือเกินเราเกิดวานานเหลือเกินเราก็พ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราที่ให้กำเนิดเกิดเรามาก็นานหลายชั่วคน น้าพ่อของพ่อเรากลับไปข้างหลังเจ็ดชั่วโคตนอนเหลือเกินใครจะเป็นผู้รับผิดชอบเรานี่พ่อแม่เราเคยบอกเคยสอนไหมปู่ย่าตายายเคยบอกเคยสอนเราไหมมันถึงโอกาสแล้วเวลาเนี่จะไปหาโอกาสที่ใดเราก็พร้อมอยู่แล้วอย่าไปเป็นประโพษ์อะไรมากมายการทำกรรมฐานไม่อยู่กับเรา เอาโอกาสแม้ไม่ได้นั่งอยู่ที่นี้ไม่ได้ฟังหลวงพ่อเทศมันก็อยู่กับเราแล้วเราก็เทศแต่เราอยู่สะพังอยู่เสมอขี้ผิดที่ถูก อ, อยู่กับเราเห็นไหมความผิดมันเกิดขึ้นกับเราเห็นไหมความทุกข์มันเกิดขึ้นกับเรามันขี้บอกเราอยู่เราจะโยอมเราจะเป็นทาสเป็นขี้ข่าของมัน่ะจะไม่มีโอกาสที่จะให้มันเป็นนายอย่างนี้ไม่ได้เลย ให้ความโกรธความหลงเป็นนายเราเราเป็นทาสของความโกรธความโลภความหลงความละความยังความทุกข์อยูมันก็โอ้ยเสียชาติแล้วคนเราอาเจงช่วยกันมาตั้งใจออกจากนี่ก็เอาไปมาอยู่กับเราอยู่ในกระเป๋ากางแกงกราเาเสื้อของเราความหลงความลู้อยู่ที่นั่นมีเครื่องไม้เครื่องมือทำความดีแต่พื้ต่เปือไปมีเครื่องไม้เครื่องมือและความชั่วแต่พื้ต่เปือไป เยินไหมดีขอบอกขอบใจที่พากันมานั่งมาปฏิบัติมาอยู่ที่นี่ไม่ลังเกียจเลยชื่นใจดีใจผู้เที่ยงไม่มาขอให้มาใครก็ตามผู้ที่ยังไม่ม า, ม า, า, มมมานั่นไม่ใช่คนพั่วเร็วสามก็คิดอยากให้มาเหมือนกันผู้ที่มาแล้วก็อยู่เป็นสุขเป็นสุขอย่าทะเลาะวิวาทกัน ให้เป็นงานอันเดียวกันต่างคนต่างละความชั่วต่างคนต่างทางความดีน้ารักหน่ารักที่จุดเลยเห็นยกมือจ้างใจว่าเห็นเดินจงกรมโอ้ยเขากําลังลกความชั่วเขาช่วยตัวเองอยู่เป็นบุญแล้วมีอะไรช่วยกันก็ช่วยกันคนอย่างนั้นเขากําลังละความชั่วเขาลังทําความดีถ้าช่วยคนที่ละความชั่วทำความดีเป็นบุญไม่ใช่ไปใช่โจรผู้ร้ายนะเนี่ยพระพุทธเจ้ากล่าวไว้ ให้ทานแจกพุทธเจ้าให้ทานแจกพระสาวกให้ทานแจกปุถุชนให้ทานแจกพระอรหันต์ให้ทานแจกสัตว์อะไรมันจะได้บุญมากกว่ากันให้ทานแจกโจรโจรก็ไปพคนไปยีเขาให้ทานแจกปุถุชนเขาไม่บอกไม่สอนเราไม่ช่วยเราให้ทานแจกพระสงฆ์เป็นหน้าเนื้อนาบุญพุทธเจ้าเหล่าพระสาวกถ้าก็บอกเหล่าท่านก็สอนเรามาวัดมาว่า มากราบพระกราบไม่ถูกพระท่านสอนท่านสอนให้ยกมือช้างจิวกราบยังไงว่าอย่างไงท่านก็สอนเดินยังไงอย่ามารยาทยังไงให้เป็นแหล่งการศึกษาวัดว่าลามช่วยกันอย่ามั่วไปใครคนใด ค, ค, ค, คนหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบมาช่วยกันเห็นพระสงฆ์ผมผ้าให้แน่นน้อยน่ารักน่ารักเดินไปกับแดนน้อยรูปหัวรูกไหลน่ารักมากอย่าทอดอย่าเท่งกัน ชวนกันไปมองกันในดีเห็นคนหลงเห็นคนโกรธก็น mm ้าสงสารอย่าไปเกลียดเขาเห็นคนทำดีก็จมสนุนเห็นคนโกรธก็ชิดช่วยเขาเห็นคนชั่วก็ชิดช่วยเขาอาจารย์เจนเนตฮโกอินหขวงพ่อจำมามีลูกศิ์ลูกหาหลายคนมาอยู่แต่ลูกชิดก็เน่งลักขโมยเจงก็จับได้นำมาฟ้องอาจารย์ สองข้างสองข้างสามข้างอาจารย์ก็บอกว่าเราจะสอนเขาขพาอปยางสอนอยู่ก็ยังรักอยูอ่พวกลูกจิตตั้งหลายก็เกียดจะให้ไล่หนีเอามัานหนีซะมันเดือดร้อนอาจารย์เชนก็บอกว่าเราจะสอนเขาถ้าอาจารย์ไม่ไล่หนีพวกผมจะหนีจะหนีซะหมดเลยอาจารย์อยู่เผาซะเออพวกคุณพาการหนีไปซะพวกคนเป็นคนดีแล้ว พานออกไปได้เลยไม่ทำชั่วแล้วคนเขาไม่ดีให้เขาอยู่กับเรานี้ตูจีไม่ลังเกียจเลยนะเอาช่วยกันค่วยคนอย่างนั้นล่ละนะจะดีมากเลยที้ลองตากพวกดเห้ฟัง